อนาปฏิวานพิกุณีต่อไปนี้ไม่ต้องบวคือหนันหนอ1139ิกหนึ่งพิกุณีมีพรรษาครบ12บวชให้กุลธิดาสองพิกุณีวิกลจริต 3. ภพิกุณีต้นบัญญัติสิกธาบทที่4จบ